วันอาทิตที่ยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าสามแปดเป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมบทบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิศัตธา a ท่านสาธุชนที่เคารพครับพระสูตรในช่วงนี้เราจะนำมาพระสูตรสองสูตรมาพูดด้วยกันเพราะว่าเนื้อความของสูตรแรกที่มีชื่อว่าอัญญติกถะติทิยสูตรอัญญติิยสูตรอัญญติทิยานั้นแปลว่าอัญญเดลถีแปลว่า แปลอีกทีเนี่ยนะฮะอัญญาแปลว่าอื่นเดลธีก็คือพวกนอกาศาสนานักบวชนอกาศาสนาแปลว่าผู้ข้ามผิดท่าก็เอาความว่าผู้ข้ามท่าอื่นก็ได้ผู้ข้ามท่าอื่นท่าอื่นคือท่าคือปฏิปทาหรือวิธีการปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ความพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนาเป็นท่านี้วิธีอื่นเป็นท่าอื่น อ่านี่เป็นเป็นสูตรแรกนะครับชื่อนี้เนื้อหาของสูตรแรกผมจะอธิบายเข้าๆให้ผ่านไปแล้วไปอธิบายรายละเอียดกันในสูตรถัดไปในสูตรแรกนั้นเนื้อความก็เกี่ยวข้องกับท่านพระสัตรีบุตรที่ได้ออกไปบินทบาทแต่เช้าแล้วก็เห็นว่ายังเช้าอยู่สมควรจะเข้าไปสนทนาธรรมกับพวกปริพาชกอัญญาเดลถีอัญญาเดลถี จึงไม่ได้เป็นชื่อเรียกนักบวชพวกใดพวกหนึ่งนิครนก็เรียกอัญญาเดลถีปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชไดร่อนก็เรียกเดลถีพวกชะดินนักบวชที่ไว้ผมยาวและประพฤติตัวปอนบ้างหรือบางทีก็ทำจานตามสมาธิบ้างก็เป็นอัญญาเดลถีทางนั้นในที่นี้อัญญาเดลทีเป็นพวกนักบวช ฝ่ายปริพาชกที่อยู่ในวัดของตนของตนในครั้งนั้นก็อยู่รอบๆเมืองราชคลีนั่นแหละครับพสารบุตรก็ได้เข้าไปหาและพวกปริพาชกได้ถามทัศนกรรมเกี่ยวกั บ, กบท่านพระาริบุตรว่าทุก์เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรใครเป็นผู้กระทำ ก็ได้ถามโดยยกเอาวาทะของพวกที่กล่าวถึงวิบากของกรรมในส่วนของอาคุสวิบากคือวิบากของกรรมเนี่ยมีอยู่สองส่วนคุสวิบากกรรมอาคุสนิบากและคุสวิบากนั้นท่านเอาสุขเป็นคำเรียกอย่างในสองสูตรนี้อาคุสวิบากท่านเรียกด้วยคำว่าทุกพูดเป็นอย่างภาษากรรมก็เรียกว่าคุลวิบากและอาคุลวิบาก เกิดขึ้นจากใครใครเป็นผู้ทำนั่นเองพวกนั้นก็บอกว่าสมณะรามพวกหนึ่งผู้กล่าวกรรมนะกล่าวกรรมเนี่ยหมายถึงว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยก็บัญญัติคือแสดงอธิบายหรือให้หลักการหรือมีความเห็นนั่นแหละครับว่าทุกตนทำเองก็หมายความว่าอาคุศนวิบากนั้นตนทำขึ้นนี่ซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนจะถูกนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ อธิบายทางพูดนะั้นถือว่าผิดหมดทั้งสี่พวกนะฮะอย่างนี้เป็นจุดยากของพระสูตรพวกนี้สําหรับคนเรียนพระพิธรรมแล้วก็ไม่ยุงยากนะอ่าก็กล่าวต่อไปว่ามีสมณะราหมอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นผู้กล่าวถึงกล่าวกรรมเนี่ยคําว่ากล่าวกรรมก็คือกรรมวาทะที่พูดถึงเรื่องกรรมกับวิบากของกรรมก็ดแสดงความเห็นว่าทุกผู้อื่นทําให้คืออากุศลวิบากนั้นเกิดจากการกระทําของผู้อื่น พวกที่สามกล่าวว่าทุกขตนทําเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยพวกที่สี่กล่าวว่าทุกขเกิดขึ้นลอยลอยเกิดขึ้นลอยลอยความจริงการที่กล่าวว่าทุกเกิดขึ้นลอยๆอยนั้นว่าจริงแล้วไม่ใช่เชือกไม่ใช่เชื่อกรำแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของกรรากับวิบากของกรรมท่านก็เลยเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกกรรมวาทะโดยบริยาย ควาที่จริงแล้วเป็นพวก อ, า, อาเหตุุกาหรืออากริยะวาะทะพี่พยายามอธิบายถึงเรื่องกุศลวิบากกับอกุศลวิบากตามแบบหนึ่งในแบบที่สี่พวกปลิพาชกนั้นได้ถามพระสัทีบุตรว่าพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างไรและพวกเขาควรจะเข้าใจอย่างไรว่านี่เป็นคำอธิบายของพุทธเจ้าพระสาทีบุตรก็ได้กล่าวอธิบายเป็นรูปเหตุผลว่าอ้ ทุกและสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของเวทนานะฮะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงอาคศลวิบากกับกุศลวิบากถ้ายกเอาสุขและทุกข์ขึ้นเป็นหลักเป็นประธานก็หมายความว่ายกเอาเวทนาขึ้นเป็นประธานการเสวยเสวยเนี่ยมันเหมือนตัวกินผลเจนวทุกทางกายทุกทางใจที่เราพูดว่าความสุขความทุกข์เกิดจากอะไร พระสารีบุตรได้ตอบด้วยอํานาจของเหตุใกล้ในสูตรนี้ว่าสุขทุกข์หรือกุศลวิบากอากุศลวิบากซึ่งในนี้ไม่ได้ใช้คํานั้นเนี่ยนะแต่มีความหมายไปถึงตรงนั้นพระสารีบุตรได้แสดงเหตุใกล้ว่าเกิดจากเหตุอที่วางเหตุไว้ก่อนเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่ไม่ไม่มีเหตุคือไม่เกิดได้ลอยไปเสร็จอันนี้แต่ว่าเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดอกุศลวิบาก ที่พระสารีบุตรแสดงเนี่ยแสดงด้วยเหตุใกล้พัสธะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะก็หมายความว่าสมมติว่าใครคนหนึ่งไปฆ่าคนอื่นเขาตายไว้แต่ชาติปางก่อนตัวเองก็มาตายด้วยการถูกฆ่าได้รับความทุกข์แสนสาหัส อ, อันนี้ถ้าตอบอย่างเหตุลึกแล้วบอกว่าเพราะผู้นั้นได้ไปทำกรรมเก่าไว้คำพูดอย่างนี้นะปังผมผมยกตัวอย่างมันเหมือนจะขัดกับมติที่หนึ่งในนี้ อันนี้ต้องอธิบายกันนะแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกฆ่าเหตุไกลคือกรรมเก่าแต่เหตุใกล้นั้นคือผัสสะใช่ไหมการกระทบถูกต้องผัสสะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์สุขเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาที่พระติิบุตรพูดอย่างนี้เพื่อที่จะทำลายความคิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตตาทำเป็นอัตตาตเสวยนะ อัตตาของเราหรืออัตราของใครก็แล้วแต่ไม่มีเป็นแต่เหตุปัจจัยชนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าพูดเติมแล้ให้เต็มก็บอกว่าความสุขและความทุกข์หรือในสูตรนี้กล่าวเฉพาะทุกข์อย่างเดียวเนี่ยมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเอางี้นะเหตุปัจจัยนั้นไม่ใช่ไม่มีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นไม่ใช่สัตบุคคลสุขทุกข์ก็ไม่ใช่สัตบุคคล และเหตุปัจจัยก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเหตุปัจจัยแห่งสุขทุกข์เหตุปัจจัยปัจจุบันได้แก่ปัจจาคือปัจจาเจตสิกเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเหตุปัจจัยในอดีตคือเจตนาเจตนาหังกัมมังวะธรรมิเจตนาเป็นกรรมเจตนาที่เกิดขึ้นด้วยความคิดว่าอย่างไรคิดว่าอย่างไรก็คือว่า กรณีที่ยกตัวอย่างนี่คือคิดที่จะทำให้เขาตายด้วยวิธีการอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ฆ่าสัตว์ผู้อื่นให้ตายเจตนานั้นแม้ดับไปแล้วแต่มีพลังก็ทำให้เมื่อสัตว์นั้นมาเกิดอีกเหตุปัจจัยได้ช่องเช่นภรรษาปัจจุบันปรากฏก็ทำให้ทุกขเวทนาปรากฏ ทุกเวทนาอย่างนั้นอย่างนั้นในสูตรนี้ไม่ได้แจกประเภทไว้ก็จริงแต่มีความหมายโดยวิจิตทํานองเดียวกับประเภทของกรรมที่ได้ทําไว้นั่นเองอ่าสูตรนี้พระสรัททบุตรแสดงด้วยเหตุใกล้เพื่อมุ่งทําลายความเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้ขาดอผมจะยังไม่อธิบายซ้ำอีกทีเพราะนี้มีเอกสารพิเศษมาให้เพื่อจะอธิบายให้ลึกชัดลงไปอีกพลิกไปดูหน้าสองก่อนครับ ท่านพระบุตรได้อธิบายว่าความเห็นเรื่องทุกข์ในทั้งสี่วาทะคือทุกของใครในพวกสี่พวกนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุปัใจจัยใกล้เหมือนกันหมดคือปัสสัมีปัจสัเป็นเหตุหมดแล้วก็กล่าวย้ำในอีกทีนึงว่าในสี่พวกนั้นถ้าไม่มีปัจสัยทกุก็ไม่เกิด อันนี้เป็นของแน่นอนเลยในนี้ไม่ได้พูดในเชิงปฏิปทาว่าทำยังไงถึงังไม่มีปัสจะรนะเป็นการพูดในลักษณะ เ, เงื่อนไขาทางเหตุปัจจัยอย่างว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อตายแล้วผัดสาไม่มีอเกิดใหม่ไม่พูดถึงนะพูดว่าคนคนหนึ่งตายแล้วผัดสาหมดเนี่ยวิบากที่จะให้ผลในอัถภาพนั้น ไม่มีแล้วไม่มีทางเลยเราจะเอาไปประหารกี่ทีกีท่ทีเอาไปเผาไฟคร อ, อกหกี่ทีกีท่ทีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นเราก็ก็เอาอย่างงี้สิอย่ามนละส ม, มดว่าเอาละเราจะตายแล้วเราอยากจะชดใช้กรรมแต่ชาติปางก่อนให้หมดก็ทําพีนายกรรมสั่งลูกสั่งหลานไปว่าเมื่อพ่อตายแล้วเนี่ยแม่ตายแล้วเนี่ยพี่ตายแล้วเนี่ยขอให้ เอาไปตัดหัวตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกจะได้หมดเวรในไปฆ่าสาตจิตวิตไว้แล้วก็จ้างคนเข้ามาลุมดา่าด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกจะได้หมดเวรเรื่องไปทําผิดก็ที่อก็อมียาวาจานะก็สารพัดที่จะให้ทําเพื่อให้หมดกรรมถามว่ากรรมได้มีโอกาสใช้บ้างไหมไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรเพราะไม่มีพรรษเป็นตัว ปัจจัยเปิดทางให้เวทนาเกิดเมื่อมีภาษาเวทนาก็ไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีการใช้กรรมเก่าก็ไม่เป็นอันมีกรรมก็ตามไปในชาติปางใหม่ในคําว่าม่ใช่ฐานะจะมีได้จึงเป็นการปฏิเสธเด็ดขาดอันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นอาถรนะฐานะก็คือความเป็นเหตุได้แก่ภาษานะเป็นเหตุแก่ทุกเวทนาอาถรรพ์ก็คือความไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุอื่น เป็นเหตุใกล้ชิดเนี่ยเหตุอื่นเหตุเก่าจะพึงให้ผลได้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจุบันด้วยคือภรรษาเป็นเหตุท่านพระอานอนท์ได้ไปกับท่านพระสารีบุตรในครั้งนั้นได้ฟังคำโฆสนาแล้วก็ได้กลับมากราบทูลเล่าถวายพระผู้มีพภาคพระผู้มีภาคจึงทรงตรับรับรองรับรองว่าพระสารีบุตรตอบถูกต้องแล้วโดยทุกประการและอ่า พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงเล่าประสบการณ์ท่านนี่หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการถามกันแล้วถามกันอีกหลายกลุ่มหลายพวกถามพระสารีบุตรก็ถามแล้วถามพระพุทธเจ้าก็เคยถามนะกลุ่มนั้นถามทีกลุ่มนี้ถามทีเพราะเหตุว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถึง ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สงสัยแล้วก็ถามความเห็นก็มีว่าความเห็นมันมีอยู่แค่นี้ใครเข้าวพวกไหนอย่างมาถามพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นพวกไหนพวกปริประชกเนี่ยเขาเป็นนักปรัชญาเนียเป็นนักบวชในลักษณะนักคิดนักปรัชญาเขาก็จะสนใจเรื่องหุนนี้ค่อนข้างเป็นพิเศษกว่าพวกอื่นก็ในที่นี้ไม่ได้โต้แยง้งเพียงจะถามว่าอะไรเป็นอะไรก็จะคิดว่า เมื่อได้รับฟังคําตอบแล้วจะมีการโต้แยง้งหรือไม่อย่างไรไม่รู้แต่เมื่อตอบและให้เหตุผลเป็นอย่างไม่รู้จะโต้ดเถียงยังไงก็เรื่องก็เลยไม่มีการโต้แย้งกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเล่าให้พระ อ, อนนท์ฟังว่าพระองค์ก็เคยถูกถามอย่างนี้เช่นเดียวกันเราก็ดูข้อสี่ในกลางหน้ากระดาษพระ อ, อนนท์เมื่อได้ฟังความโดยสังเขตอย่างนี้ว่า ทุก เ, เวทนาซึ่งเป็นเวทนาตัวหนึ่งในเวทนาสามอย่างเกิดจากผัสสะเป็นปัจจัยอันนี้คือจุดหนึ่งของปฏิจจ์ใช่ไหมองค์หนึ่งกับองค์หนึ่งที่ไอ้ที่เขาเถียงกันเนี่ยเป็นการเถียงในเรื่องที่มันก็อยู่ในปฏิจจ์จุดหนึ่งพระอานอนท์ซึ่งได้ฟังจากท้งภาษารีบุตรจากท้งพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็เกิดความคิดในทางขยายความ คือเห็นผืนเต็มของปฏิจจ์อันนี้เรียกว่าเกิดความแจ่มแจ้งฟังแล้วก็ปฏิป่อเรื่องได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอันนี่น่ะถ้าเรามานึกถึงเราเองว่าถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องปฏิจจ์เราได้ฟังได้อ่านเรื่องว่าทุกเกิดจากอะไรแล้วก็ได้ยินว่าเกิดจากภาษาแล้วก็อาจจะไม่ได้นึกถึงในเชิงปฏิจจ์นะแต่เพราะเรารู้หรือเราเรียนเรื่องปฏิจจ์ฟังตรงนี้เราก็สามารถที่จะนึกเข้ามาปฏิจจ์ได้ ท่านพระอ น, นุ์ก็เช่นเดียวกันท่านจึงได้กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์คือทั้งพระพุทธเจ้าและทั้งพระตริบุตรเนี่ยตอบคำและความเป็นอันเดียวกันแก่บุคคลที่ถามอย่างเดียวกันแล้วก็ได้กล่าวขออนุญาตเพื่อแสดงความเข้าใจหรือความแจ่มแจ้งในธรรมอันลึกซึ้งและควางขวางออกไปและผู้มียภารก็ทรงตรัสอนุญาตว่า ถ้ากระนั้นเนื้อความในเรื่องนี้จงแจ่มแจ้งกับเธอเองเถิดก็คือที่จริงพระรานนท์ไม่ต้องการจะกราบทูลคอสอธิบายเพียงแต่ว่ากล่าวเป็นเชิงว่าเหมือนจะจะถามอนะฮะเหมือนจะถามว่าความนี้นะ่มีการอธิบายให้พิสดารเอาไปได้หรือไม่พระพุทธเจ้ารู้ว่าพระานนท์เข้าใจก็จึงให้พระานนท์เป็นผู้กราบทูล ไม่ได้แปลพระพุทธเจ้าไม่รู้แต่ว่าอยากจะให้พระนนท์ได้แสดงความในที่นั้นเป็นการต่อตัวเองด้วยและพระพุทธเจ้าเองก็ต้องการจะฟังจากภาษาวกด้วยพาะนนท์จึงได้กราบทูลลำดับความเป็นปฏิจจะตั้งแต่องค์สุดท้ายซึ่งเป็นทุกข์โดยรวบยอดโดยรวบยอดคือชราและมรณะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกําเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้นี่นี่ก็เล่าว่าถ้าพระองค์ถูกถามเนี่ยครับพระองค์ก็จะพึงปยากรว่าจะรามรณะมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นที่ตั้งขึ้นมีชาติเป็นกําเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดดังนี้แล้วก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุก็มีพบพบมีอุปาทานอุปาทานมีตัณหาตัณหามีเวทนาเวทนามีผัสสะพอมาถึงผัสสะท่านก็กล่าวต่อไปว่าผัสสะมีอะไรเป็นเหตุมีสลายตนะ น, นนี้เป็นการกล่าวเลยไปนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ย้อนรวดขึ้นไปจนถึงอวิชชาตรงนี้แหละเป็นการกล่าวถึงปฏิจจะแบบที่เรียกว่าปริโยสานะปริโยสานะปฏิลมมเทศนาะคือกล่าวจากองค์ปลายย้อนขึ้นไปหาองค์กลางปริโยสานะ มัชชะปฏิโล ม, มเทชนาคือกล่าวย้อนจากองค์สุดท้ายปริโยสถานะบแล้วองค์สุดท้ายมัชชะปฏิปฏิโลมคือปฏิโลมแปล ว, ว่าย้อนขึ้นไปหาองค์กลางมัชชะแปล ว, ว่าส่วนกลางเสร็จแล้วก็แสดงในสายดับย้อนกลับมาจากสลายยตนะดับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงทุกดับ ท่านจึงได้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนท่านทั้งหลายนี่พูดถึงว่าถ้าถูกถามมาตามดับแล้วก็จะอธิบายไปถึงตรงกลางนั้นในส่วนเกิดแล้วก็ในส่วนดับโดยว่าก็เพราะปัตสาเยตนะหกนั่นแหลดับสํำลอกโดยไม่เหลือปัสสาจึงดับเพราะปัสสาดับเวทนาจึงดับเวทนาดับตนาจึงดับตนาดับอุปาทานจึงดับอุปาทานดับพบจึงดับ พราะพบดับชาติจึงดับพระชาติดับชราได้มรณะโสกับริเทวะทุกขโทมนัสอุปา ย, ยาจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ถูกถามแล้วอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้แหละตรงนี้นะผมก็ขออธิบายความอย่างที่ได้เคย อ, อธิบายมาแล้วในสูตรใดสูตรหนึ่งก่อนหน้านี้ว่าคือเรื่องสุขเรื่องทุกเนี่ยโดยเฉพาะในนี้เรื่องทุก ที่พวกเดลถีเขาสนใจก็เป็นเรื่องทุกข้ เ, ขเวทนากลัวทุก ข, เ, ขเวทนาใช่ไหมแล้วก็ยกประเด็นขึ้นมาไอ้ทุก ข, เ, ขเวทนาในค่าทางศาสนาเราถือว่ามันเกิดจากอุปนิบัตใช่ไหมแล้วก็มีเหตุเกิดใกล้เหตุเกิดไกลและการที่เราจะดับทุกขตรงนี้นะ่ะไอ้เรากลัวทุก ข, เ, ขเวทนาเนะี่ยมันก็น่ากลัวก็เป็นภัยจริงๆ แต่การที่เราจะพ้นทุกข์แท้จริงไม่ใช่ไปมุ่งดับมุ่งละกรรมอย่างที่เราสะเดาะเลาะหลีกก ร, รมหลบก ร, รมอะไรกันเนี่ยแล้วคนนี้ก็จะพ้นทุกข์มันต้องเลยไปเข้าใจทุกข์ที่เรียกว่าสังสารทุกข์นะแล้วก็ดับทุกข์อันนั้นให้ได้ท่านจึงแสดงปฏิจจารยายจากทุกข์ที่เห็นได้ทุกขเวทนาออกไปจนถึง ทุกในสังสารวัฏชาติทุกชราทุกงาะแล้วก็ดับทุกนั้นแล้วทุกอย่างอื่นก็เป็นอันตกหมดรานนพูดเพื่อจะแสดงอย่างนี้อมอธิบายเป็นสังเกตอย่างนี้แล้วก็ผ่านสูตรนี้ไปครับไปถึงอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าภูมิชาสูตรภูมิชาเป็นชื่อของพระอรหันเถระอุปหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าภูมิชาเนี่ยชาแปล ว, ว่าเกิดภูมิหมายถึงพุทธภูมิพุทธภูมิในที่นี้หมายถึงถิ่นเกิดของพระพุทธเจ้าคือพูดง่ายว่าท่านภูมิชาเนี่ยเป็นชาวพุทธภูมิพุทธภูมิอยู่ที่ไหนครับก็แคว้นสักการ์นแหละสมัยนี้เราบอกพุทธภูมิคืออินเดียลของเรานอกประเทศอินเดียนะฮะเราก็บอกพุทธภูมิคืออินเดีย แต่ในอินเดียเขาเรียกคุตตคุงเขาหมายถึงแควนกก้นศักดิ์นะพระภูมิชั่เป็นผู้เกิดในแคว้นศักดิ์นะเรียกว่าชาั่แล้ ว, วเกิดภูมิมากก็คือภูมิประเทศนั่นเองแควน้วนเวน้นแคว้นในนี้นะพูดถึงพระอรหันต์ถามพระอรหันต์ด้วยความมุ่งหมายเพื่อเป็นผาสุขวิหารทรรมพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองสาวัตถี วันนั้นเวลาเย็นท่านพระบูมิชาออกจากที่เล่นเข้าไปหาท่านพระสัลีิบุตรได้สนทนาปลาศัยกับท่านพระสัลลิบุตครคลั้นผ่านการปลาศัยให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งนที่ควรส่วนครั้งหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับท่านพระสัลลิบุตรดังนี้ว่าท่านสัลลบุตมรมีสรรมะรามพวกหนึ่งบัญญัติทุกพวกเก่าวกรรมเก่าวกล่าวกรรมเนี่ยนะบัญญัติทุกสุขเอาสุขขึ้นก่อน สุขและทุกตนทําเองผมเลยใส่บาลีให้ดูอ่ะสยันแปลว่าเองกระตังแปลว่ากระทํากตังการังหรือการะเนี่ยนะก็อันเดียวกันนะครับอะประกระตังผู้อื่นทําให้แล้วก็สยังกตันจ่ตนเองด้วยประรังกตันจะ ผู้อื่นด้วยก็คือสุขทุกเกิดจากตนเองด้วยผู้อื่นด้วยอสาสยังต่อไปพวกที่สี่บอกว่าไม่ได้เกิดจากใครเลยฮะเกิดจากความบังเอิญที่ใช้คำว่าอาทิจจสมุปป น, นังสุขขังอาทิจจสมุปป น, นังสุขขังบาลี ตกไปนิดหนึ่งนะถ้าจะเติมตรงนี้ก็คือเติมคําว่าปะระกะตังการังไม่อีกทีก็จะฆ่าทิ้งไปเลยก็ได้ฆ่าคําว่าอสาสยังกะการังเนี่ยนะคำตกไปหน่อยอันนี้ฆ่าคํำคำนี้เฉพาะคํานี้ทิ้งไปให้เหลือแต่คาหลังก็พอก็คือเกิดโดยบังเอิญก็ได้ความว่าพวกที่สีนี้ถือว่า สุขทุกเกิดโดยบังเอิญแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่กล่าวว่ามีตัวตนเขากล่าวว่ามีตัวตนเหมือนกันแต่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังเอิญหมดพวกหนึ่งถึงพวกสามนะกล่าวว่ามีตัวตนตนคือตนได้แก่ถ้าเป็นตัวเองก็คือตัวเองเป็นตนเป็นผู้กระทำเองถ้าผู้อื่นหมายถึงตนคือคนอื่นเป็นอัตามันอันหนึ่งเนี่ น, น, นี่กรณีหนึ่งนะคน อ่าผมสรุปงี้ครับตนอ่าพูดถึงตนก่อนตนทาเองเนี่ยหมายถึงตัวเองนั่นแหละเป็นอัตตาเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเองสเสมอใหผลเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอนิจจังทุกขังอัตตาเนี่ยที่มันผิดๆตรงนี้ถ้าของเราพูดว่าตนทาเองใครทำอย่างไรได้รับอย่างนั้นนะ่ะเราถือว่าเป็นสมมุติพูดไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนนว่าเราทาไว้เมื่อชาติก่อน กับเราเมื่อมาตวเวลผลเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เกิดไม่ได้ดับอย่างนี้นะ่ะถือว่าเป็นอัตตาอัตาอัตตาทิฏฐิอัตตาทิฏฐินี่คือตนอย่างพวกผิดตนของเราคือสมมุตินั่นเองจริงๆแล้วมันเกิดดับมันไม่ได้มีตนเที่ยงแท้สําหรับผู้อื่นนะผู้อื่นในในสูตรเนี่ยมีความหมายเป็นสองผู้อื่นอย่างที่หนึ่งผู้อื่นอย่างที่หนึ่ง หมายถึงผู้อื่นภายนอกผู้อื่นภายนอกคือปรมาตมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพศักดิ์สิทธิ์ผู้โดนบันดาลเอาตามใจชอบนั่นคืออัตตาคนอื่นทำให้นี่กรณีหนึ่งผู้อื่นในที่หนึ่งอันนี้ต้องจำไว้นะผู้อื่นในที่สองหมายความว่าตัวเรานี่แหละเมื่อตอนทำเป็น คนหนึ่งเมื่อตอนสเสวยเป็นคนหนึ่งคลายเหมือนกับที่เราปลารบว่าตอนที่เราทำกรรมเนี่ยมันก็ตอนนั้นก็คนหนึ่งตอนนี้ก็คนหนึ่งตอนสเสวยไม่ยุติธรรมเลยคนทำไม่ได้สเสวยคนสเสวยไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นพวกที่เขากล่าวโดยหมายเอาอย่างนี้คือตนทำตนทำอำ่าต่ออาตนทำเนี่ย ก็คือตอนที่เทียงแท้และผู้อื่นทําหมายถึงผู้เออผู้อื่นภายในกร น, นีผู้อื่นภายในก็คือตอนที่ทําเป็นคนอื่นแล้วก็พอที่เสวยเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนละคนกันเป็นสองอัตราสองกาลสองเวลานี่โดยรายละเอียดก็คือว่าพวกที่เชื่อเรื่องการตายการเกิด ก็ยังบัญญัติอายุของอัตตาไว้ต่างกันอย่างนี้ทีนี้ในกรณีที่กล่าวว่าทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นกระทานะก็คืออันนี้นะเห็นจะกล่าวได้ว่ากลงกับความเข้าใจทั่วทั่วไปอย่างคล้ายๆทำนองรุ่นนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือว่าเราก็เป็นอัตตานะฮะเป็นอัตตาอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยว่าจริงๆเข้าเชื่อเรื่องกรรมเหมือนกัน ก็อธิบายเรื่องกรรมเหมือนกันแต่ว่ากรรมของเขาเนี่ยเขาไธ้บายยืนอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ทําและเราเองไม่ได้ได้ทําโดยเด็ดขาดมีพระเจ้าเบื้องบนเป็นผู้ดนบันดาลด้วยเทียบกับอย่างเดียวนี้ก็คือว่าเดียวนี้นะ่ะเราทำความเข้าใจไม่หลุดกันอยู่อย่างหนึ่งนี่ผมเทียบนะผมไม่ได้บอกปลักปรำว่าเราเข้าใจว่าเป็นตนไม่เป็นตนแต่อารมณ์เราเนี่ยเราคิดว่าเป็นตน คือถามว่าทุกวันนี้นะ่ะเราอัดตาหฮีัตโนนาโถแน่หรือเราไม่ค่อยหลุดใช่ไหมว่าอัตตาเฮียตโนนาโถไม่ต้องฟังเสียงไกลแน่หรือและถ้าใครคิดว่าเราเนี่ยจะทำอะไรได้ตามใจมันอยู่ที่เราต่างหากไม่ต้องไปฟังอะไรทั้งนั้นพวกที่เชื่อหุนหันอย่างนี้อย่างกรณีคนเข้าวัดก็มีไม่ใช่หรือไม่เข้าวัดก็มีไม่ใช่หรือ ที่เชื่อมั่นตัวเองจัดเชื่อมั่นหลักการจัดเชื่อมั่นความสามารถของตัวเองจัดแล้วก็เชื่อมั่นว่าการเข้ามาวัดวาลามเชื่อกรรมเข้าใจกรรมแล้วก็ไม่ฟังเสลียงไกรเนี่ยมีหรือไม่มีจริงๆอา้าวทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเอ๊ะมันอยู่ที่เราคุณไม่เกี่ยวรกจราจรไม่เกี่ยวคนขับรถก็ไม่เกี่ยวกระเป๋าโลกก็ไม่เกี่ย ว, กกยวคนทำก๋วยเตี๋ยวให้เรากินก็ไม่เกี่ยว คนฟังทำรร ม, มากก็ไม่เกี่ยวคนพูดทำ ม, มากก็ไม่เกี่ยวผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองก็ไม่เกี่ยวสารพระภูมิเจ้าที่ก็ไม่เกี่ยวฮะต้องไม่เกี่ยวหมดมันอยู่ที่เราไม่ต้องไปฟังเราดีเท่านั้นพอแล้วถามนี่ผมก็กำลังจะตั้งปัญหาถามไอ้ธรรพือนไปโกงกับความคิดของเราแล้วว่าความคิดอย่างนี้ถูกไหม ถูกหรือไม่ถูกนะและกับคนที่คิดว่าเอ๊ะมันก็ต้องเลาด้วยคนอื่นด้วยที่ว่าวามาเนี่ยมันมีทั้งผิดทั้งถูกคลุกๆลุกบอ ป, ปนกันอยู่ทั้งนั้นเลยนะเอาเป็นว่าเราค่อยๆสางไปทีละจุดก่อนว่าในกรณีของคนที่เพื่ออย่างแต่ดั้งเดิมเป็นคติพรามนะเป็นว่าเราเนี่ย มีอัตตาทำเวรทำกรรมคือพูดง่าอธิบายกรรมอย่างอัตตานนทิติแล้วก็ยอมรับความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเทพเจ้าก็เป็นอัตตาเราก็เป็นอัตตาถามว่าผิดตรงไหนผิดตรงที่อัตตาใช่ไหมฮะพราะเทพเจ้าไม่ใช่อัตตาเราไม่ใช่อัตตาอ่ะทีนี้เมื่อเอาอัตตาออกในกรณีเดียวกันอย่างนี้นะเอาอัตตาออกเราก็ไม่ใช่อัตตา คนอื่นที่เขาสนับสนุนเราทั้งเทวดามนุษย์เดรัจฉานไม่ใช่อัตตาเท่านั้นเป็นเหตุปัจจัยกระแสนหนึ่งกระแสนหนึ่งทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเท่ากันโดยความที่เป็นแต่นามรูปต้องอุดหนุนกันอย่างนี้แหละครับถูกจุดถูกมันอยู่ถูกอย่างไรและไอตรงนี้นะ่ะถ้าเราไม่ลอกขอ บ, บางทีผิด ผิดเหมือนอย่างว่าเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราโดยไม่ฟังอีลาค่าอีหลมใครทางนั้นวันเนี่ยเราต้องพึ่งพาสัตว์และสังขารคนอื่นอยู่ด้วยกันอุดหนุนกันใช่หรือไม่เราก็เป็นที่พึ่งพาคนอื่นก็ใช่หรือไม่โดยที่เราก็ไม่ใช่อัตาผู้ลิขิตเขาก็ไม่ใช่ตาผู้ลิขิตใช่หรือไม่ ทีนี้เราเนี่ยพึ่งแต่คนอื่นคนอื่นพึ่งแต่เราแล้วเราไม่ทาอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นทุนเลยไม่มีศักยภาพไม่มีเหตุปัจจัยภายในเลยเราก็อยู่ได้ใช่หรือไม่เขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยคนอื่นเขาได้ใช่หรือไม่ถ้าเขาเป็นอย่างไม่มีเหตุปัจจัยอะไรอยู่ในตัวเองมันก็ไม่ได้อา้าวแล้วแล้วยังไงล่ะคือเราเองถ้าสมมติว่า เราไม่มีอะไรเลยเหตุปัจจัยภายในไม่มีเลยเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้ไอ้ที่จริงนะที่เขาช่วยในอย่างที่บอกแล้วว่าความจริงเขาเป็นเหตุปัจจัยกระแสหนึ่งซึ่งบางทีก็สําเร็จด้วยเหตุปัจจัยจากข้างในของเราเนี่ยนะมันเข้าไปอุดหนุนจุนเจือกันเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยกระแสดเดียวผมแบ่งกระแสะเฉพาะกระแสภายในกับภายนอกนอก็พอ เอาตัวอย่างง่ายๆว่าคนธรรมะที่คนบรรลุเนี่ยต้องเป็นปัจจตังใช่ไหมเห็นเองใช่ไหมปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติเห็นเองอย่างนั้นก็บอกคุณก็ไม่ต้องมาวัดหรอกน่น่นถ้าคุณไปงงๆมาในห้องคุณไปไปเปิดไฟในห้องคุณเอาไปฉายไปส่องเอาในห้องคุณไม่ต้องมาฟังธรรมะห้ามอ่านพระไตรปิฎกเห็นเองกันหมด เลเห็นไหมล่ะทําไมสัตว์จึงต้องเป็นอ่าผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นกาละเป็นขณะเพื่อการบรรลุธรรมแล้วทําไมราพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าสัตว์ต้องเป็นอาต้องเป็นอพระภะพระภะบุคคลบุคคลผู้ที่ควรบรรลุธรรมได้ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่นั้นเรียบหลายอย่าง มาผสมกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยภายในกับภายนอกเนี่ยทีนี้ที่จะว่าเนี่ยระหว่างปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยจุดที่เป็นเหตุปัจจัยสําคัญเป็นหลักเป็นประธานใครเป็นนายใครเป็นบ่าวอเราพูดเป็นภาษาเทียบอย่างนี้เหตุปัจจัยภายในกับภายนอกใครเป็นนายใครเป็นบ่าวข้างในเป็นนายใช่ไหม ข้างนอกเป็นบาอันนี้นะเห็นชัดเลยเรามองดูแลทุกๆกรณีเห็นชัดว่าคนถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยภายในเนี่ยใครอื่นถึงจะอยากรับใช้อยากให้เป็นอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีทางลาแพ้ไปเองถึงพ่อเราจะเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังก็ไม่มีทางจะเอาเราไปเป็นพระเอกสร้างเราไปเป็นพระเอกได้แต่ยังหน้าเดิมๆอยู่นะเพราะ เราไม่มีเหตุภายในแต่ถ้าสมมติเรามีเหตุภายในนึงไปนั่งกินกาแฟที่เขาไปจอบก็เปลดอเปล่ออาอาจได้เป็นพระเอกได้พวกแมวมองเขามามองเอาไปเป็นพระเอกใครก็อยากช่วยอยากสนับสนุนใช่ไหมคนลองมีอะไรข้างในดีเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมดาไอ้ลูกปัญญาอ่อนเกิดเป็นทา ย, ยาทเศรษฐีพ่อก็ให้มรดกไม่ได้เพราะให้เนี่ยหนึ่งทาลาย ทรัพย์มรดกของตัวเองธุรกิจตัวเองแล้วทำลายชีวิตลูกด้วยเหมือนอย่างพระเอกาลูกพระเอกาทศรสเสียพระจักษุพระเอกาทศรสยกราชสมบัตินา้ตายในเจ็ดวันเลยครับราชสมบัติก็เอาก็มาอยู่ชีวิตลูกก็อยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนี้สมเด็จพระเอกาก็อาจจะไปเลือกคนอื่นบอกอ้านี่ฝากฝังลูกด้วยนะว่าขอให้รักษาชีวิตลูกฉันเหมือนกับราชสมบัติที่ฉันให้แก่เธอ อย่างนี้อาจจะลูกอยู่นะละักษสมบัติก็ก็อยู่อย่างในที่เราเลือกแล้วเพราะเหตุนั้นเหตุปัจจัยข้างในเนี่ยจึงสําคัญนี่พูดเป็นภาษาเหตุปัจจัยไอ้เหตุปัจจัยข้างในไม่ใช่ใครทั้งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทีนี้เหตุปัจจัยข้างในน่มีหลายอย่างอีกครับเอาเป็นอย่างสั้นๆที่เข้าใจง่ายเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติคือหนึ่งเหตุปัจจัยทางความพยายาม สองเหตุปัจจัยทางกรรมสองอย่างแล้วก็ว่าว่าสองอย่างนี้นะอะไรสำคัญกว่ากันกรรมกับพยายามผมต้องอธิบายไหมว่าพยายามคืออะไรพูดบ่อยกลัวเบื่อพยายามหมายถึงจะพยายามด้วยการประพฤติทำวางตัว ขยันมันเพียรถือเป็นพยายามหมดกรรมคือบุญและบาปพยายามมีผิดมีถูกนะฮะถูกก็เป็นไปในทางทำลายสิ่งดีอากุศลกรรมก็เป็นไปในทางทำลายสิ่งดีของที่เป็นทุนเดิมเนี่ยก็คือกรรมพยายามเป็นของใหม่พยายามนั้นจะอยู่บนฐานของกรรมเสมอคนถ้ามีกรรมเนี่ยแม้พยายามผิดก็สำเร็จ แม้ไม่พยายามก็สำเร็จถ้ากรรมนั้นมันท่วมมันแรงนะนี่พูดโน้แรงในกว่าเกณฑ์สำเร็จที่ควรได้จากความพยายามบางทีมันคนละครึ่งกรรมอ่อนเนี่ยพยายามครึ่งแล้วก็มาปะกับกรรมครึ่งหนึ่งบางคนกรรมนี่เปอร์เซ็นต์น้อยพยายามต้องเยอะเพราะฉะนั้นคนที่พยายามอะไรอะไรได้มากแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของกรรม เช่นว่าเราพยายามเรียนเนี่ยคิดหรือว่าคนพยายามเรียนจะต้องจบด็อกเตอร์กันหมดทุกคนได้ได้ไม่ได้เพราะอะไรต่อให้พ่อให้แม่เป็นด็อกเตอร์ด้วยและลูกก็ขยันด้วยอยากจะเป็นด็อกเตอร์อย่างพ่ออย่างแม่แต่ลูกเนี่ยมีกรรมในทางนี้อกุศลกรรมสมมนะหรือกุศลกรรมน้อยพยายามก็ไม่มีทางสาเร็จอย่างพ่ออย่างแม่ ถูกไหมะทำไมก็เพราะพื้นฐานอันแหละนี่เรามองเชื่อของของไอ้วิบากนี่จึงถือเป็นทุนสำคัญอย่างยิ่งนะในกรณีมนุษย์เราเนี่ยรพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับความหมาเพราะว่าไอ้กรรมที่ลองรับความสำเร็จของของมนุษย์เนี่ยมันโดยมากไม่เต็มร้อยไอ้ที่เต็มเต็มมีน้อยคนสมมุติว่าเรามีพื้นฐานอย่าง คนหนึ่งเขาเกิดมาหัวดีเกิดมาแข็งแรงสุขภาพดีเกิดมาหน้าตาเป็นพระเอกแล้วก็เป็นพระเอกอยู่คนคนนี้พยายามอะไรอะไรก็เหมือนว่ามันขึ้นหมดนะใช่ไหมอะไรมันช่วยแล้วครับ ก็คุณสให้บากตรง น, นั้นหน่อยตรง น, นี้นิ ด, น ด, นดมันมาช่วยเสริมใช่ไหมละ่ะทำให้ทำอะไรก็รู้สึกมันคล่องติดต่อประสานงานคล่องแต่สมมติว่าเกิดเสียไปสักอย่างหนึ่งแค่น้อโง่ไปหน่อยแต่อ่าหน้าตาดีบุคลิกดีมารยาท ด, ดีมันก็พอไปได้ข้างๆกูๆนะพอเข็นเข็นเงินไปได้ นี่ผมพูดจากเรื่องจริงๆแต่ไม่พูดว่าเป็นใครนะฮามันก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าอยู่ที่ทุนนะที่พระพุทธเจ้าใช้คำ ว, ว่าปุเพกตาบุญตาเนี่พูดอย่างในเชิงสำเด็จใช่ไุเพกตามันติดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีบุเพกตาบุญตาแรงเนี่ย แม้ไม่คิดปรารถนาคิดหวังมันก็มาเองใช่ไหมฮเพราะว่ามีการถามว่าเอ๊ะทำอธิษฐานอย่างไรจึงจะได้รับความสำเร็จแล้วบางคนเนี่ยไม่อธิษฐานทำไมถึงสำเร็จบางคนอธิษฐานจังเยอะยังไม่เห็นสำเร็จบางทีอธิษฐานใหม่ๆมันกลับตะปัดกับความสำเร็จมันเพราะอะไร เป็นตัวสําคัญขยันตัวเป็นเกลียวไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่ที่พื้นฐานกรรมนะคือหนึ่งพื้นฐานกรรมรองรับสองที่จะต้องดูด้วยคือกรรมที่เป็นตัวเบียดเบียนนะฮะเป็นตัวเบียดเบียนเบียดมากเบีย ด, ยดน้อยบางคนเนี่ยที่ถ้าจะเล่นคาฉาตากรำรนะนะ มันมีกรรมชนิดที่เรียกว่าตัวเองหวังสิ่งใดและจะต้องไม่ได้สมหวังต้องพยายามอย่าไปหวังกรรมมันจะได้ไม่ไม่มันจะได้หลงทางเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไปทําลายคนอื่นให้เขาผิดหวังทําคนอื่นให้ผิดหวังเลยมาสมหวังกับคนที่ตัวไม่ได้หวังเนี่ยพูด <laughs> จากบุคคลกับเรื่องที่ตัวไม่ได้หวังพราะไอ้หวังฆ่ากรรมมันก่อยจ้องเงี้ยมึงทําให้ ชาวบ้านก็คิดหวังไว้ก็จะต้องตามมาทํำลายนะเราะฉะนั้นบางทีถ้าเราดูไอชะตากรรมออกเนี่ยบางทีก็ก็ต้องไปใช้ใช้วิธีตบตากรรมนะความจริงไอเยวะตบหรือไม่ตบเนี่ยมันไม่ใช่บากรรมเป็นตัดเป็นบุคคลแต่ว่าไอ้ตบหรือไม่ตบมก็คือเป็นเงื่อนไข ข, ของสภาวะธรรมอันหนึ่งเหมือนกันว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนี่พูดนะว่าไอกรรมชนิดที่สามารถจะแก้ไขได้เลยที่เราพูดกันว่า ตัวเราสําคัญที่สุดเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นตัวหลักสําคัญคือความพยายามนั้นเป็นตัวเสริมตัวเติมถ้ากรรมเต็มอยู่แล้วล่อเต็มร้อยอยู่แล้วพยายามก็กลายเป็นตัวทําให้เกินร้อยนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เราถึงต้องดูสองส่วนดูส่วนหนึ่งพื้นฐานกรรมเราในเรื่องนี้เรามีทุนอยู่แค่ไหนนะ แล้วก็ไอ้กรรมที่มันเป็นตัวเสริมนะพอจะเอาดึงมาเป็นทุนได้แก่ไหนอย่างที่ผมว่าเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยความแข็งแรงก็เป็นกุศลนิบาดอย่างหนึง่งบุคลิกทางการพูดเป็นกุศลนิบาดอย่างหนึง่งว่าใครมีแค่ไหนบุคลิกทางรูปร่างหน้าตาเป็นกุศลนิบาดอย่างหนึง่งระดับภูมิปัญญามสมองเป็นกุศลนิบาดอย่างหนึง่งเนี่ยงนั้นถ้าเรามีพร้อมเนี่ย มีหลายๆด้านพร้อมรวมทั้งไอตัวหลักด้วยโอ้โหเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างมันวิ่งมาเองหมดนะแล้วทำอะไรนิดอะไรหน่อยกลายเป็นเรื่องโอ้โหเกิดผลใหญ่โตเรามานึกถึงผู้ที่มีบุญมากๆเนี่ยอาอย่างชาฟ้าค้าบันดินสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะโอ้โหทาอะไรนิดอหน่อยเนี่ย อย่าว่าแต่ไปให้อะไรเคิแม้แต่เปิดโอกาสแล้วก็ให้คนให้ก็ยังมีความสุขไปช่วยชีวิตท่านตรัดอะไรนิดๆหน่อยๆโอ้โหจำไปจนตายเลยครับคนมันนอกบางคนได้เคยในในหลวงประหลาญินีเคยเมีประหลาญธรรมลัดด้วยจำไปจนตายเลยเราเนี่ยให้กันตั้งร้อยตั้งพันไม่ค่อยกระเทือนใจเท่าไหร่ แต่ท่านคนที่เขามีบุญให้นิดให้หน่อยอะไรก็แล้วแต่นะป้องทําไมถึงมีผลต่อความรู้สึกเรามากนั้นก็อยู่ที่กุศลวิบากนั่นคนที่ทําอะไรก็ทํานิดก็ได้รับผลสําเร็ดมากก็พออย่างนี้นั่นตัวกรรมจึงเป็นตัวบันดาญอย่างสําคัญที่พระเจ้าพูดนักพูดหนาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเขวะแขวะมันตีกันที่นี่ไอคนที่เขา เขาเชื่อความพยายามเนี่ยเพราะเขาเขาไม่เข้าใจว่าตัวเขาทั้งตัวเนี่ยมันมาจากไหนนะถ้าเมื่อใดเขาต้องไปประสบวิบากกรรมเช่นอยู่ๆก็จากคนปกติแข็งแรงสวยๆงามๆไปเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยต้องไปฉายแสงคราวนี้คุณลองส่งไปใหม่ที่ไปเจรจาไปติดต่อนี่ไปบริหารที่จะทําทได้อย่างเก่าไหมจะทําทขึ้นอย่างเก่ามั้ยมันก็ไม่ขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม ในถึงคราวตกเนี่ยมันตกตกอย่างเหลือเชื่อเหลือเชื่อมันตกลงมาได้ยังไงทั้งที่เราความรู้เท่าเก่าดีมากกว่าเก่าได้ครับทํำไมทําแล้วมันถึงไม่ขึ้นมันเพราะอะไรเขาก็บอกกันดวงดวงแต่เขาก็ไม่รู้อะไรดีไม่ดีก็ไปตีโพยตีพายโทษคนอื่นวะเพราะเดี๋ยวนี้ฉันยังงี้ตั้งแต่ฉันเป็นอย่างงี้คุณนึงเป็นอย่างไงคุณถึงอย่างโง่อย่างงี้ ไอคนโกงมาหาช่องโกงเอารล้เอาเรียบหลุมล้อมเงินเข้ามาจากการเปิดช่องของไอพื้นฐานทางอุตุตตตนิบาศเนี่ยเชื่ออย่างเพราะนั้นไอที่ที่เราผิดเนี่ยผมนะอยากจะพูดจะให้มันจบประเด็นนี้ไปถ้ามันจะยังไม่ได้ต่อความก็เอาตัวนี้จะให้เข้าใจนะคือในวงการอย่างเราเราที่ผิดไอยังข้างนอกนี่เขาเชื่อความสามารถคนมีกุศลนิบาศดีแล้วก็ลืม บุญคุณของกุศลในบากแล้วก็อามาทําอะไรหรืออยู่เฉยๆแล้วมันได้เนี่ยมันเหมือนกับตัวเองไม่ได้ทําอะไรไม่ต้องทำบุญเลยใช่ไหมบางคนที่ท่านไม่ต้องทําบุญทําไมทําไมท่านประสบความสําเร็จได้ประสบความสําเร็จดีคนบางคนมมองเลยอย่างเข้าวัดมันไม่เห็นประสบความสําเร็จอย่างเขาสําเร็จเนี่ยเขา ก, ก, ก, ก็ก็มองอย่างเท่าที่เขาเห็นนะทีนี้ในกรณีของคนนอกวัดที่ที่ผิดก็คือ อะไรอะไรก็ไปมุ่งแต่จะไปพึ่งคนอื่นเขาหมดลืมตัวเองลืมใช้ความสามารถทางพยายามตัวเองซึ่งสมควรจะยอมรับก็ไม่ไม่ยอมใช่ั้ยลืมขยันเองลืมอะไรแต่ละเองลืมวางตัวเองปฏิบัติตัวเองให้ให้เหมาะให้ดีเองไอ้บุญถ้าจะไม่ต้องพูดกับคนพวกนี้บุญการไม่ทา แล้วไอไม่ทําอะไรความพยายามก็ไม่ทําหรือทำอย่างบิดแล้วก็คนพวกนี้มักจะเป็นอย่างที่ผอย่างที่เราชอบพูดถึงกันว่าจ้องแต่จะฉวยโอกาสจากคนอื่นนะว่าใครจะพึ่งได้ใครเพราะเขาจะพึ่งได้ก็โลภเยอะลุ่มเข้าไปเลยแล้วผลที่สุดมันก็เลยกลายเป็นปิดโอกาสตัวเองเขาแทนที่จะสงสารคนนานก็เลยกลัวกิเลสคนคนนั้นไปตะชิบใช่ไหมล่ะ ผมเคยสมัยก่อนเนี่ยเคยไปป่วยไอ้โรคที่เป็นตอนเป็นแรงๆเมื่อปี20ไปทำกระบอกแล้วก็อาการเป็นรุนแรงทั้งคืนไม่ได้นอนถ้าผมไม่ส่งสารออกมาผมต้องตายแน่ๆนก็ออกมาลงใยาบาลนี่มาเนี่ยมันก็อาศัยรถสองแถวก็มาที่ตลาดก็จะไปไปหายาที่เราเคยซื้อ หมอไอ้คนขายยาบอกรุนแรงต้องไปโรงพยาบาลก็เรียกสามรอไปไอ้ตอนขึ้นก็รู้ตัวพอตอนลงไม่รู้ตัวสามรอบมาเลยไม่ได้ค่ารถจากผมเป้นมาทั้งรักให้น้ํากรองน้ำเกือเรียบร้อยออกมาท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนว่าไอ้ตอนมานี่นก็มันตายนี่ผีหรือคนก็นไม่รู้นเนี่ยมาแล้วเ็นคนลคนนี้ไอ้เราก็กลับกรุงเทพมาก็นึกถึงบุญคุณสามรอเราก็ไปไปอีกที ไปถามหาสามล้อปากรราโอ้โหสามล้อมันมาทวงบุญคุณหมดเต็มเลยผมก็ไม่รู้ไอ้คันไหนมันคันจริงนะเลยตกลงไม่ให้มันสักคันเพราะมันเยอะจัดถ้ามันมาสักคันสองคันก็อาจจะให้ใเผื่อว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างให้มันไปนะเลยเลยถึงบัดนี้เลยไม่รู้ไอ้สามล้อคนนั้นมันคือใครอยู่ไหนเลยไม่ได้ตอบแทนบุญคุณ ไปถึงที่นั่นก็นึกถึงแกทุกทีป่านนี้ไปไหนยังไงแล้วเขาไปรู้เราไอ้กรณีอย่างเนี้ยเราก็กลัวและเทพเจ้าก็กลัวนี่ไอ้คนไม่กลัวนี่คือใครรู้ไหมฮะคนที่คิดจะเอาเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นลูกมือหรือผู้ให้การทนเอาเปรียบพวกนี้ไม่กลัวชอบมาเหอะชอบเช่นว่าคนตกงานจะตายแล้วมันก็ไปตั้งตำนัก ง, งานหลอกกินข้าในหน้า คนกําลังจะตกตกงานทั้งที่ไอ้คนอยากได้งานก็หลบตัวเองไม่มีความสามารถทำก็อยากได้งานดีๆไอ้ที่ทาได้ก่อนก็ไม่ทําอยากจะอได้งานดีๆก็ต่างคนต่างก็หลบ ก, กันปลายสุดพวกหนึ่งก็ได้เปรียบก่อนพวกหนึ่งก็เสียเปรียบแม้ไปหาทรงเจ้าเข่าผีอะไรตออะไรอย่างที่เรากลัวกันลาวหงลาวอะไรเนี่ยนะเราก็คิดแต่จะเอาตัวรอด ลืมนึกถึงสาระแล้วก็ไปหวั่นไหวกับคำพูดคนนั้นคนนี้ลืมสร้างสาระนี่คือกรณีที่เรียกว่าผิดถามว่าคนอย่างนี้มีมากหรือมีน้อยมีเยอะมีเยอะจนเหลือเชื่อเนี่ยลองทําข่าวอะไรออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ได้ลูกค้ากินครับยังเป็นคนปีมะปีหมาปีอะไรก็แล้วแต่เล ไม่รู้ไม่มีคนพวกนี้มาเชื่อได้ยังไงนะตกมาเป็นเหยื่อกับคนบางประเภทก็เราก็เห็นใจว่าเขาหนึ่งเขาไม่รู้อันหนึง่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งคือรู้แต่ว่าโลภเกินเหตุรู้แล้วทาอยู่บ้างโลภเกินเหตุเวลาเราเจอคนอย่างนี้เราต้องบอกว่าใจเย็นๆแล้วกใครดึงเขขึ้นมาต้องย้าอยู่เลยต้องใจเย็นๆต้องอย่าโลภได้น้อยเอาน้อย แล้วเราก็ต้องเรียงลําดับไอ้การได้เขาเห็นว่าไอ้เขามาครั้งนี้เขาได้อะไรจากการที่มาให้ธรรมะช่วยพอบางคนเนี่ยมามันก็นึกจะเอาเลยครับร้อยเปอร์เซ็นเลยไอ้ที่ตัวเองอยากได้ เ, เอาร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวนั้นทันทีเลยโดยไม่ได้ดูว่าตัวเองนะเป็นใครแค่ไหนนี่คือความโลภของมนุษย์นี่ถ้าเราเราเป็นกายามิตรเขาเราก็ต้องช่วยให้เขาเข้าใจตรงนี้แล้วก็ ให้เขารู้สึกว่าเขาได้ผลพอจะเป็นที่อุ่นใจเขาพอจะมีความหวังแล้วก็ถ้าคนใจเย็นอย่างนี้แล้วก็แก้แก้ไขอะไรได้ตอนนี้มาพูดถึงกรณีคนในวัดที่ทําตัวตรงนี้ผิดแล้วก็ผมก็เห็นมาตลอดบางคนก็แหรงแรงขนาดว่าหีสารเทวดาเลิกวาผิดหรือถูกอั น, นี้เราพูดอย่างชนิดที่ไม่ใช่ผมคิดเองพูด นะผมเองก็ไม่ต่างอะไรกับเขาตามสมควรตามส่วนตามกิเลสผมอย่างก่อนๆเพียงแต่ว่าเราตามศึกษาเท่านั้นเองแล้วบางคนนะ่ะถึงขนาดนะแม่เป็นคนจีนเอาขู้วอะไรมาติดเอาไอ้อะไรที่คนจีนขะถือว่าเจอเขาลูกก็ชาดก็มากระทืบทส่งเลยขรโทษนะนี่เขามาพูดกับผมเองคนที่เป็นลูกแต่ตอนพูดนะเขาเปลี่ยนแล้วถ้าเขไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่พูดหรอก เขาว่าเปลี่ยนตอนตอนที่เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาควรจะทำอย่างไรคือถ้าถ้าเราบอกเขาเนี่ยเราก็วิธีจะบอกอย่างไงอีกเรื่องหนึ่งไอเราเองจะแสดงอย่างไรเนี่ยเราก็จะดูว่าเราเราแค่ไหนเราจะทําได้แค่ไหนอย่างไรนะอ่าไมกว่าจะพูดเรื่องของจงจุ้ยอะไรท่าหน่อยเรื่องของจุ้ยเรื่องเลิก เ, เ, เ, เรื่องยามเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะ ียอธิบายแบบบัวไม่ช้าน้ำไม่ขุแจจนแล้วไม่ได้ตั้งใจจะประจกใครมาแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปหาห า, หากินโดยคำนึงถึงความถูกต้องทางธรรมะเป็นที่หนึ่งมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนะี่ยผมผมว่าเท่าที่พูดได้ว่าอย่างเลือกเรื่องเอเลือกออทำเลถิ่นที่ที่ไหนยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้ายอมรับไหม ตอบว่ายอมรับด้วยมีบทอธิบายคล้ายบ้างไม่คล้ายบ้างแม้ว่าคนที่ทํากรรมฐานเลือกแสวงหาสถานที่ปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองคบหาบุคคลหาครูบาอาจารย์มันมีอะไรมาเกี่ยวสิ่งเกี่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งมองไม่เห็นโดยง่า ย, ายเนี่ยอธิบายเหตุผลที่มองไม่เห็นด้ว ย, ยหรือปัจจัยที่มองไม่เห็นโดยง่าย เออเราจะบอกว่าโอ้ยไม่สําคัญมันอยู่ที่เราโดยเด็ดขาดเนี่ยผิดแน่นอนอเพราะอะไรเพราะหลักเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับหลักรวมๆนะคือถ้าเรามีเหตุผลเต็มบริบูรณ์เท่าไหร่เงื่อนไขาภายนอกน้อยเท่านั้นถ้าเรามีเหตุผลในเรื่องนั้นๆบกพร่องเท่าไหร่เงื่อนไขาภายนอกเราก็จะต้องให้ความสําคัญเพิ่มขึ้น ทำไมในหลวงจะเสด็จไปไหนต้องมาเนี่ก็ต้องออกเวลานั้นเดี๋ยวรถติดและทำไมเราต้องคิดละ่ะเหตุผลของเราในหมัยนี้เหตุผลทางอ่ากุฏินิบาศกับแล้วก็อะไรหละอย่างที่อยู่ในเนี้ยหลักๆก็คือกุฏินิบาศไม่เท่ากันใช่ไมแต่ทำไมพระองค์หนึ่งบอกว่าฝนตกอาตมาก็จะไปอาตมาต้องรีบไปและทีเราบอกว่าหลวงพ่อรอให้ฝนหายก่อน ผมนึงจะตามไปทำไมอ่ะเพราะว่พาพอหลวงพ่อท่านออกไปผลก็อยู่ในด้านน่ะอะแล้วทําไมไม่อยู่ในเราละ่ะเราเรากับหลวงพ่อก็สองมือสองเท้าเหมือ น, ก, นกันต่างกันตรงไหนอ่ะใช่ไหมทาไมเรายืนอยู่ริมถนนดีๆเฮ้ยรถทําไมมันมาชนเราอ่ะทําไมมันเฉล็บไปชนอีกคนหนึ่งละ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ ที่จะมีคุณสมบัติที่อย่างที่ว่าเงอนไถ่น้อยเนี่ยมันก็มีน้อยนะทีนี้ถ้าตัวเองมีเงินไขเต็มและตัวเองสาคัญตามความเป็นจริงก็ไม่เป็นก็ถูกแล้วเลยว่าเป็นผู้มีอัตตันยุตาสูงแต่ถ้าเข้าใจเอาเองหรือเอาคุณสมบัติ ด, ด้านหนึ่งมาใช้อีกด้านหนึ่งเข้าใจผิดไม่ถูกขวาถูกตัว เวลาตัดสินใจที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรอย่างไรมันก็เกิดการคลาดเคลื่อนเรานึกหรือว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเขาพูดกับบางคนเน่ยพูดไปด่าไปมันก็ยอมหมดอย่างที่อยู่แถวซอยสนพลูเนี่ยเขียนลายว่าใครไม่ว่าไอ้มีบางคนนึกจะไปเอาอย่างครับทีเดียวครับไม่ได้เกิดเลยเฮ้ยทาไมไม่เหมือนกันล่ะมันต่างกันตรงไห น, น ผมว่าไม่ต้องเขียนเองแค่ไปเอาข้อความที่ท่านเขียนมาใส่ชื่อตัวเองก็โดนด่าแล้วนี่คือไอ้ข้อแม้เงื่อนไขต่อทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เรามาพูดถึงอย่างเรื่องภานที่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบางที่เนี่ยบางคนอยู่ได้หรูบ้านนะเพราะอะไรมันมีไอ้เหตุปัจจัยในทางลึกหลายอย่างทั้งความผูกพันแล้วก็ที่สาคัญอันหนึ่งก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทําบุญที่ส่วนสนึ่ให้กับเจ้าของที่ผูกมิตรกับเจ้าของที่ อย่างสร้างเมืองปาตารีบุตรในเป็นเรือยอย่างเล่าไว้ในพระไตรปิฎกสองแห่งวินัยปิฎกกับพระสุตันทปิดกชัดเจนเลยซึ่งพราหมณ์ไม่รู้พระรู้แตเจ้ารู้พอทําบุญที่สูงอุศลแล้วก็ไอ้ข้อแม่ตรงนี้หายไปทีนี้บางคนมันเกี่ยวกับไอ้ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสถานที่สัมพันธ์ด้วยอำนาจความผูกพันด้วยอำนาจจะหลุมันมีกิ่งการต่งางๆออกไปนั้นบางคนเนี่ย ต้องทําที่นี่ธรรมะจึงจเจริญดีและท่านก็บอกว่าถ้าที่ใดใครอยู่ที่ใดทําแล้วธรรมะเจริญดีควรอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตและอยู่กับใครแล้วทํากับใครแล้วสติธรรชัญ ญ, ญะเจริญดีแม้เขาไล่ก็อย่าไปสอนให้เตยอยู่อะไรไล่ก็อย่าไปอในเนี้ยบางทีก็เป็นชั้นเชิงของอาจารย์รุ่นก่อนเ้านะทดสอบอย่าไป นี่แปลว่าเรามาถูกชะลกของเราแล้วนะฮะทีนี้ไอ้บางคนเนี่ยเงื่อนไขก็ไม่มีอย่างสมมติว่าอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือมิฉาทิติเาก็ได้ประโยชน์อ่านหนังสือสัมมาทิติก็ได้ประโยชน์เขามีวิบากทางสติปัญญาสูงไปคบกับใครก็เป็นเพื่อนไปหมดอย่างเงี้ยใช่ไหบางคนก็คบกับใครทางแ้วยิ่งนานวันยิ่งแม้แต่ในสำนักเดียวกันก็น เหลือพวกน้อยลงน้อยลงเนี่ยบแปลกดีเหมือนกันนะนี่นี่เป็นเรื่องที่เคยเห็นนะแต่บางคนเนี่ยก็ก็ครบได้หมดอย่างพระเถระเราที่พอเป็นตัวอย่างได้ไหลายๆองค์ในในสมัยนี้วันนั้นในตัวเราเองจึงต้องสังสึกษาเรื่องนี้ให้ชัดสังเกตศึกษาว่าอะไรอย่างไงเพราะอะไรแล้วก็หาหมุมหาจุดร่วมที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อกันทีนี้ เวลาเราจะแนะนํากับใครเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงส่งคนมาคนนี้ไปสํานักนุน่คนนู่นท่านต้องไปเอามาเองไปเอามาเข้าสํานักกันเองมัน เ, เกี่ยวกับอดีตคนนี้ต้องรอเวลาคนนี้ต้องเอาอันนี้ไปก่อนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเงื่อนไขถ้าคนไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่ต้องมี วิธีการที่หลากหลายในเรื่องอะไรอะไรใช่ยหมาหมดว่าอย่างเราไม่มีเงื่อนไขเนี่ยไปสแสวงหาธรรมที่ไหนที่ไหนมันก็คงจะต้องได้ผลเหมือนกันแต่แสดงให้เห็นว่าคนไม่เท่ากันในทางลึกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเราพูดอย่างตามเนื้อผ้าจริงๆนะฮะ แต่สิ่งที่น่ากลัวที่ผมว่าไอ้เรื่องหมอดูเรื่องดวงเรื่องอะไรเนี่ยคนมันลืมสาระไปยกให้ข้างนอกหมดเลยจะออกจากบ้านก็นจับยามสามตาบางทีแค่พลาดรถไปคันเดียวเนะ่ะรอเที่ยวต่อไ ป, ไปเป็นชั่วโมงไม่ได้ขึ้นนะครับงานเสียเลยจับยามสามตายามอุบากองบางคนก็ก็เชื่อมา เพราะนั้นเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าท่า น, นึงบอกว่าให้เอาจิตเราเนี่ยเป็นหลักก่อนสมมติว่าเราไม่รู้ว่าวิธีจะแก้อย่างไงเนะีใ่ยนในวิธีที่ทุกคนทำได้และควรทำว่าเราปีเงื่อนไขยังไงเราไม่รู้เนี่ยนะอะไรเป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องถือเอาไว้ในทุกๆ ก, กรณีใช้ได้หมดอะไรรู้ไหมกุศลลจิตเฉพาะหน้าตั้งกุศลจิตไว้เฉพาะหน้า ไปสู้กับสิ่งที่ที่มันเป็นข้อแม้ในทางลบทางบวกได้หมดและในระยะยาวนั่นคือทำบุญเข้าไว้ทาบุญเข้าไว้เราจะทำให้เรียกว่าเลิกเขาเรียกว่าอะไรเลิกดีเลิกงามยามดีกับเลิกไม่งามยามไม่ดีเนี่ยสมมุติว่าคนที่มีเคราะหกรรมมากเนี่ย ยกตัวยอย่างให้ว่าคนคนหนึ่งมีกรรมฆ่าสัตว์สชีวิตมาตลอดเลิกไม่งามยามไม่ดีต่อการที่เขาจะต้องไปได้รับอุบัติเหตุถูกฆ่าตายอ้อย่างเจ้าพงเจ้าพ่อยไอ้งี่นะมันก็ยิงมากออกเมื่อไหร่ก็โดนจริงโอกาสจะโดนจริงทิ้ง ม, มีมีทุกเมื่อตีสี่ตีห้ามที่มีแล้วครับเวลาภาพบินสบายก็มีวันไหนมันก็ไม่เลือกทั้งนั้นจริงไม่จริงบางคนที่ทําความชั่วมากๆเหมือนสัตว์นรก เมื่อไหรเมื่อไหรก็วันไหนวันไหนก็กระทาทองแดงวันไหนวันไหนก็ภัยพิบัติอันนี้สาลมเสมอเลยได้ข้อสรุปว่าบุญที่สั่งสมไว้กับกุศลจิตเฉพาะหน้าเป็นตัวลดเงื่อนไขไฟชั่วด้วย แล้วก็ลดเงื่อนไขฝ่ายที่จะได้ประสบกับสิ่งดีด้วยอากุศลที่ได้ทำไวในระยะยาวและอากุศลเฉพาะหน้าเป็นตัวสร้างเงื่อนไขให้กับสิ่งที่เราไม่ต้องการและสิ่งที่เราต้องการไม่ต้องการก็ไม่ได้ตามต้องการหรือโอกาสได้ตามต้องการน้อยลงไอ้ที่ไม่ต้องการก็เลยได้ประสบง่ายขึ้นจริงไม่จริง เราเข้ามาสู่วดวงศาสนาเนี่ยเราเห็นจาชัดเมื่อก่อนแล้วก็อาจจะเป็นคนมีเงื่อนไขที่นั่นที่นี่คน น, นคนนั้นคนนี้ทั้งมองเห็นได้มองมเห็นไม่ได้ถ้านานเข้าเราก็สะดวกลงไอ้ที่เขาว่าเป็นอภมงคลไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบเนี่ยเราเห็นเป็นโอกาสเลยครับอยากจะเข้าไปเหยียบอยากจะเข้าไปกลายเป็นดีไปไม่งั้นไอ้ที่ที่เป็นอภมงคลเราไปไม่เนี่ย ไปไม่นิมนต์พระพุทธอย่างสมัยก่อนนิมนต์พระเจ้ามาแล้วกลายเป็นดีไปคนอื่นก็ได้พลอยเดินตามหลังไปได้เลยพูดสะเกินเวลาเลิกงามยามดีแต่ผมพูดซะจนกระทั่งไม่มีเงื่อนไขแล้วเลยจะพูดต่ออีกชั่วโมงก็แล้วกันมันใช้จะหมดเงื่อนไขแล้ ว, ลวนะอที่เหลือจะอธิบายค่าวหน้าแล้วมันมีเอกสารที่แจกให้วันนียนะเป็นเอกสารในคัมภีร์กระถาวัตถุ ที่ที่ผมทำอ่านแล้วคงจะไม่เข้าใจต้องต้องเ อ, อามาอ่านอธิบายาที่หลังจึงจะเข้าใจก็จะได้เป็นตัวประกอบที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้ออมีพวกเรานะครับได้เดินทางไปทำบุญกับพระกรรมฐานหลายวัดมีคุณชวนชื่นบุญเสร็จคณะและคณะบุญไปลินแล้วก็อีกหลายๆคนรู้สึกจะศีล้าคน ได้เดินทางไปเป็นหมู่เป็นคณะนะนำกระถินไปทอดก็ใครที่ได้ทำบุญร่วมก็จะได้อนุโมทนาไม่ได้ทำก็อนุโมทนาด้วยได้ไป เ, เห็นว่าได้เงินทั้งหมดเนี่ยสองแสนสี่หมื่นสองพันสิบเก้าบาทโดยเป็นเงินจากกรุงเทพไปหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทคงจะจงใจเนี่ย ให้เป็นเกาๆแล้วก็ไปทอดอย่างนี้ครับนําไปทอดผ้าป่าวัดโสตะทิผลผมออกเสียงถูกไหมโสตทิผลเป็นจํานวนเงินสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วก็ทอดผ้าป่าวัดดอยธรรมเจดีห้าพันเก้าร้อยบาทวัด อีกวัดหนึ่งคือวัดถ้ำสีแก้วสี่พันหกร้อยบาทแล้วก็ทอดพระปากับหลวงตาบัวในนี้เขียวหลวงตาบัวหลายคนเรียกท่านเลียงหลวงตาบัวอตอนผมเจอท่านันท่านยังม่ันยังหนุ่มอยู่เดี๋ยวนี้อยุเยอะแล้วเห็นว่าบังเอิญไปเจอท่านไปเอาไปบริจาคศารเอาของเอาปัจจัยไปแจคกคนยากจนไปเจอในระหว่างทางเขาพอดีก็เลยทำบุญร่วมกับท่านอีกสามพันสองร้อยบาท ก็เรียนว่าท่านเหล่านี้เป็นพระที่มีอาจาร์อันงดงามมีศีลมีสมาธิมีความสะอาดถูงนะเป็นหลักของพระในบ้านเมืองของเราได้อย่างน่าชื่นชมชื่นใจได้ทำบุญร่วมกวับท่านก็ก็ได้มีโอกาสผูกมิตรนะเรียกว่าผูกมิตดรด้วยบุญเป็นมิตรไม่ใช่ธรรมดา เราจะได้เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันในสงสัวรรวตัต่อไปรวมทั้งระหว่างพวกเราซึ่งกันและกันเองด้วยขอให้ตั้งจิตอนุโมทนานะครับว่ากุศลเหล่านี้ได้ทำกับปฏิคาหกอย่างนี้และบุญกุศลที่ได้ทำด้วยทานนี้จะไปสำเร็จผลเป็นปัจจัยสีอาหารที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคหรือการาสาธารณประโยชน์อย่างอื่น กี่อย่างกี่ประการก็ตามขอให้บุญเหล่านั้นจงสําเร็จแก่ผู้ทํำแก่ผู้อนุโมทนาแล้วก็ขอให้เทพวดาทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และในที่ที่อ่าท่านเหล่านี้ได้เดินทางไปทําบุญจงได้รับทราบอนุโมทนาส่วนกุศลร่วมกับพวกเราทั้งหลายและขอให้ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงจงมีปีติในธรรมอยู่เป็นนิดมี ทำเจริญรุ่งเรืองงอกงามมีชีวิตที่สดใสกระพี่กระเปล่าอยู่เป็นนิสและบริหารชีวิตก้าวเดินไปในสุขติวกเวียนอยู่ในสุขติไม่ไปสู่ทุกติเลยจนกว่าจะเข้าสู่อนุ ป, ปาทิเสสนิพานโดยทั่วกันขอปิดประชุมทันีีครับ